เชิญพระวจนะหัวข้อนามัสการสำคัญสูงสุดพระวจนะที่มาถึงเราทั้งหลายปรากฏในพระธรรมปฐมกาลบทที่สข้อ26ความว่าฝ่ายเศษก็มีบุตรชื่ออานโนดคราวนั้นมนุษย์เริ่มต้นนามัสการโดยออกพระนามพระเยโฮวาจะอ่านซ้ำนะคะ ฝายเศษก็มีบุตรชื่อเอโนดคราวนั้นมนุษย์เริ่มต้นนมัสการโดยออกพระนามพระเยโฮวาพี่น้องค่าวพระวจนะของพระเจ้าในเช้าวันนี้ภายใต้หัวข้อนมัสการสําคัญสูงสุดพระวจนะพระเจ้าที่ได้อัญเชิญโดยท่านผู้ปกครองนั้นได้บอกว่าเป็นลูกหลานของเศษที่พระเจ้าได้ ให้เขาประจักษ์ถึงเรื่องของการนมัสการพระเจ้าอย่างเต็มรูปแบบโดยมีระบบระเบียบและการนมัสการพระเจ้าที่ถูกต้องครับเพราะฉะนั้นเราจึงเข้ามาในพระวิหารของพระเจ้าในทุกๆวันอาทิตย์เพื่อจะนมัสการพระเจ้าเรารู้ว่าพระเจ้านั้นทรงสร้างมันขึ้นมาเพื่อนมัสการพระองค์และคําว่านมัสการนั้นในภาษาเดิมแปลว่ากราบครับเป็นการก้มกราบมาจากคําเดียวกันกับคําว่านมัสการ การที่คนที่มีฐานะต่ํากว่าคุกเข่าลงแลก็กราบแสดงความเคารพยกย่องต่อผู้มีฐ า, นะานะสูงกว่านั่นคือการนมัส ก, การเราเห็นว่าลำดับการนมัส ก, การนั้นก็เริ่มต้นตั้งแต่การที่เราเคารพผู้หลักผู้ใหญ่นะครับเราก็มีความเคารพท่านเราก็ชื่นชมท่านเราก็บูชาท่านแต่ผู้ที่อยู่สูงสุดก็คือองค์พระผู้เป็นเจ้านั้นพระองค์ปรารถนาที่จะให้เรานมัส ก, การพระองค์อย่างถูกต้องครับ และนมัสการพ ร, พระเจ้านั้นคือเรื่องราวที่สําคัญที่สุดในชีวิตของเราทั้งหลายซึ่งเป็นลูกของพระเจ้าซึ่งเป็นคริสเตียนเพราะฉะนั้นในพระเจนะของพระเจ้านะครับเราเห็นท่าทีการนมันสารพระเจ้าเราเห็นเรื่องราวของการนมันเจ้าตลอดพระคัมภีร์ทั้งเล่มเลยตั้งแต่ปรธมการจนทั้งถึงวิวร์แล้วเรามีความหวังว่าเมื่อเราจะไปอยู่กับองค์พระผูเนเจ้าบนฟ้าสวรรค์แล้วเราจะน้ำมันสารพระเจ้าเป็นอาชีพหลักเลยครับ เป็นอาชีพหลักที่เรานำมาสการพระเจ้าเพราะฉะนั้นการที่เราเรียนรู้การนัมาสการพระเจ้าบนโลกนี้นะครับเป็นแบบจําลองในการที่เราจะมาสการพระเจ้าบนสวรรค์และพี่น้องเชื่อไหมครับว่าทุกครั้งเลยที่เรามานัมาสการพระเจ้าเนี่ยเราจะมีการลงลึกสูงขึ้นในระดับจิตวิญญาณที่เราก้าวเข้ามาเพื่อที่นับมาสการพระองค์เพราะฉะนั้นการนับมาสกการพระองค์พระเจ้าของเรานั้นในแต่ละสัปดาห์นะั้นมันจะเปลี่ยนแปลงไปมันจะไม่เหมือนเดิม มันจะมีของใหม่เข้ามาในชีวิตของเราเสมอเพราะฉะนั้น mm hmm. เมื่อเราเห็นนะครับว่าพระมีได้ยกตัวอย่างมากมายทีเดียวในการนับศัการพระเจ้าไม่ว่าจะเป็นการก้มกราบลงการโน้มตัวลงถึงเจครั้งนั่นแสดงถึงท่าทีภายนอกที่ข้างในนั้นถ่อมตัวจำเพาพระพักพระเจ้าผู้สูงสุดพี่น้องครับความเป็นมาของการนัสการพระเจ้านะครับพระเจ้าทรงสร้างมนุษย์ขึ้นมาเพื่อให้ใหัสศการ์พระองค์ ในผลมัการติบทที่หข้อ27บอกว่าพระเจ้าทรงสร้างมนุษย์ขึ้นตามพระฉายาของพระเจ้าและตามพระฉายานั้นพระเจ้าทรงสร้างมนุษย์ขึ้นให้เป็นชายและหญิงและในพระธรรมในแมีบทที่9ก้าข้อที่หยังกล่าวว่าพระองค์พระเจ้ายาวเวพระองค์เดียวได้ทรงสร้างฟ้าสวรรค์และฟ้าสวรรค์สูงสุดนั้นพร้อมกับบริวารทั้งสิ้นที่ของเป็นของฟ้าสวรรค์ น, นั้นจะรวมถึงแผ่นดินโลกทุกสิ่งทุกอย่างที่มีอยู่ในนั้นทั้งทะเลทุกอย่างที่อยู่ในนั้น องค์ได้ทรงสร้างและรักษาสิ่งเหล่านั้นไว้และบริวารของฟ้าสวารรค์ทั้งหมดนั้นก็ได้นมัสการพระองค์ mm hmm. พี่น้องครับนี่คือสิ่งที่ยืนยันในพมพีว่าพระเจ้าได้สร้างทุกสิ่งทุกอย่างนะครับรวมทั้งมนุษย์ด้วยทั้งสรพรพสิ่งที่พระเจ้าทรงสร้างทุกอย่างเพื่อสิ่งหนึ่งสิ่งเดียวก็คือการนมัสการพระเจ้าพี่น้องครับขอบคุณพระเจ้านะครับเพราะเราเป็นสิ่งมีชีวิตเดียวที่เราสามารถนมัสการพระเจ้าด้วยเสียงของเรา ด้วยคําพูดของเราด้วยความคิดของเราและด้วยท่าทีของเราพี่น้องไหมครับว่าทุสวรรค์เนี่ยนมาสการพระเจ้าครับแต่มัสการพระเจ้าไม่เหมือนเราเพราะว่าเรามีร่างกายที่เราจะสามารถโน้มตัวลงกราบพระเจ้าได้เรามีสาเราสามารถที่จะมีคําพูดที่เปล่งเป็นวาจาหรือเป่งเป็นเสียงร้องเพลงที่เราจะนับมาสการพระเจ้าได้แต่ว่าทุสวรรค์เขามีไม่มีร่างกายแบบเรานะครับเพราะฉะนั้นการนับมาสการพระเจ้าด้วยจิตอินญาณ และการมิจฉาพระเจ้าด้วยร่างกายการมิจฉาด้วยห้าทีนั้นเป็นสิทธิพิเศษของเราซึ่งเป็นมนุษย์ซึ่งเป็นสปีชีดเดียวที่เราสามารถที่จะนมัสการพระเจ้าได้สูงสุดเลยนั่นคือสิ่งที่พระเจ้าสร้างเรามาเพื่อนมัสการพระองค์พี่น้องครับชาวอิสราเอลนั้นแสดงการนมัสการพระเจ้าหลายๆวิธีตามเทศกาลต่างๆในพิธีการต่างๆนะครับการถวายบูชาก็ดีนะครับการเผาบูชาก็ดี การกำหนดวิธีการถวายบูชาในพระองค์พีเดิมก็ได้ทุกอย่างนั้นพี่น้องครับพิธีกรรมต่างๆเล่านี้มันจะไม่มีความหมายเลยถ้าคนคนนั้นมไม่เดินพระสันพระเจ้าด้วยใจบริสุทธิ์เพราะวจนะพระเจ้าได้เขียนไว้อย่างนั้นคําว่าใจบริสุทธิ์นั้นก็คือว่าใจที่รับการชําระแล้วใจที่รับการอภัยโทษแล้วใจที่พระเจ้าเนี่ยได้ล้างด้วยพระฤทธิ์ของพระองค์แล้วนั่นคือสวดีบทที่50ข้อ7ถึงข้อ15กษัตริย์ดาวิดนั้นได้ทําการนมัสการพระเจ้าอย่างไรพี่น้องครับ การนับศการพระเจ้าของคนยิวเนี่ยแรกเริ่มเดิมทีก็ใช้เป็นสถานที่เป็นก้อนหินมากองกองกันไว้นะครับแล้วก็วางเครื่องบูชาอยู่บนแล้วก็เผาบูชาในพระธรมการแต่ว่าหลังจากที่โอพยพมาแล้วนะครับเขาก็มีสร้างพับพลาหรือเต้นนัดพบในการนัสการพระเจ้าหลังจากนั้นการวิทยาการวิทยาการการนัสการก็คือนับการในพระวิหารที่โซมอนสร้างพระวิหารใช้นัสการพระเจ้าแล้วต่อมาพระวิหารถูกทําลายเขาก็เลยต้องนัสการพระเจ้าในธรรมศาล า, า, ลาก็คือในโบสถ์นั่นเอง พี่น้องครับพราะวจนะของพระเจ้าในเช้าวันนี้ทําให้เราเห็นถึงสิ่งที่ควรทําในการนมัสการพระเจ้าเพื่อที่ว่าชีวิตที่พระเจ้าสร้างเรามาเพื่อในการนมัสการพระเจ้านั้นจะไม่เสียของเสียเปล่านะครับการเห็นคุณค่าคือการนมัสการพระเจ้าการยอมรับคามีคุณค่าของพระเจ้านั้นในจิตใจของเราแสดงออกด้วยการสรรเสริญพระเจ้านมัสการพระองค์การแสดงความเคารพเทิดทุนบูชาสอดคล้องกับสิ่งที่อยู่ในใจของเราเนี่ยแหละครับคือการนมัสการพระเจ้าที่แท้จริงพี่น้องครับการที่เรามี การนมัสการพระเจ้าพักรรพี่แช็กว่าเราร่วมสมมามัคคีธรรมกับองค์พระผู้เป็นเจ้าของเราเมื่อเรามีสมมามัคคีธรรมที่ถูกต้องกับองค์พระบุญเจ้าของเราแล้วเราก็จะมีสมมามัคคีธรรมที่ถูกต้องกับพี่น้องของเราด้วยเพราะฉะนั้นการนมัสการพระเจ้านั้นไม่เพียงแต่การที่เราจะฟังคําเทศนาจากผู้รับใช้พระเจ้าเท่านั้นนะครับเราจะต้องมีสมมามัคคีธรรมกันสมมามัคคีธรรมนี้คือการมีความสัมพันธ์กับพระองค์คําว่าเฟโลชิพครับสําคัญมากเฟโลชิพคือสมมามัคคีธรรมนะครับคําว่าเฟโลแปลว่าอะไร เฟลโลแปลว่าเพื่อนหรือแปลในทางทางภาษาก็คือว่าคําว่าเกลเฉลเอกอไก่ลอลิงแล้วก็อออ่านครับเกลอเป็นเกลอกันหมือนกัเป็นเฟโลกันเป็นเพื่อนกันเป็นมิตรกันเป็นสนิทเป็นญาติเป็นสหายของกันและกันพี่น้องครับพระเจ้านี่นะครับได้เรียกผู้รับใช้ของพระเจ้าได้เรียกคนของพระองค์ประชากรของว่าเป็นสหายของเราพระเยซูเรียกยงั้นนะครับ เพราะฉะนั้นการที่เราเป็นเกลเอกับองค์พระเยซูเนี่ยนั่นหมายความว่าการที่เรามีมีการร่วมสมมามัคคีธรรมกับองค์พระเยซูเจ้าเพราะฉะนั้นการที่เรามานับสัมมาการพระเจ้าเนี่ยการที่เรามีสามัคคีธรรมกับพระเจ้านั่นหมายว่าการเข้าถึงพระเจ้าของเราเราจะเข้าถึงพระเจ้าได้อย่างไรครับในในเช้าวันนี้คําตอบอยู่ในคําเทศนาของผมเพราะฉะนั้นพี่น้องจะตั้งใจฟังดีๆนะครับว่านี่คือวัตถุประสงค์สูงสุดที่พระเจ้าได้ให้กับเราในฐานะเป็นมนุษย์และเป็นลูกของพระเจา้า การหากขนมปังด้วยกันในพิธีมหาสนิทซึ่งเราจะทําในวันนี้เป็นการร่วมรละลึกถึงการที่พระเยซูซึ่งประชวรเพื่อไถ่บาปเราเป็นการสรรเสริญพระเยซูเป็นการถวายเกียรติพระเยซูการอธิษฐานร่วมกันก็เช่นเดียวกันครับการรับประทานอาหารร่วมกันการสรรเสริญพระเจ้าร่วมกันนั่นคือการที่เราจะนมัสการพระองค์อย่างถูกต้องและในพระคัมภีร์ได้บันทึกไว้บอกว่าการร่วมกันถวายทรัพย์ ในการงานของพระเจ้าก็เป็นการนธิษการพระเจ้าอย่างหนึ่งการที่มนุษย์นั้นเอาของมาถวายพระเจ้าเป็นการระลึกถึงพระคุณของพระเจ้าเช่นกับหลายครั้งทีเดียวเมื่อพูดถึงการถวายนักเทศหลายหลคนก็ก็อายและก็ละเลยในการที่ในการที่จะอธิษฐานเผื่อเรื่องของการถวายทรัพย์ของเครื่จักรแต่ว่าพี่น้องครับพระวจนะของพระเจ้าไนดะ้บอกว่าการถวายไม่แต่เพียงทรัพย์เท่านั้นนะครับแต่เป็นการถวายชีวิต เป็นการถวายการรับใช้เป็นการถวายท่าทีของเราทั้งหมดทุกอย่างที่เป็นรวมกันชีวิตของเรานั้นถือว่าเป็นของถวายได้เพราะฉะนั้นการที่เราคืนทั์สังนะครับไม่ใช่เป็นการถวายทรัพนะครับพี่น้องผมขออนุ ญ, ญาตปรับความเข้าใจนิดนึ่นนะครับถ้าเราให้ทั์สังคืนกับพระเจ้านี่ถือว่าเป็นการคืนทั์สังไม่ใช่เป็นการถวายทรัพนะครับ การคืนทัศางเนี่ยเป็นการที่เราตอบสนองต่อพระเจ้าเพราะพระองค์นั้นได้ให้ทรัพยากรได้ชีวิตของเราให้ลมหายใจของเราให้น้ําของเราพระเจ้าไม่ได้คิดสตังค์นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราป่วยในโรงพยาบาลนี่ลมหายใจนี่นี่เสียสตังค์เยอะนะครับเวลาใส่ออกซิเจนเนี่ยลิตรหนึ่งเท่าไหร่วันหนึ่งเท่าไหร่น้ําที่เข้าไปในร่างกายเราดื่มทุกวันนี่นะครับมันแทบจะไม่มีราคาอะไรเลยใช่ไหมครับแต่ถ้าคุณไปให้น้ําในโรงพยาบาลเป็นยังไงครับขวดหนึ่งนี่หลายตังค์อยู่ ถามว่าพระเจ้าได้เคยเอาอะไรจากเราบ้างครับไม่มีเลยแต่พระเจ้าเรียกร้องให้เราคืนคืนแวทนะครับส0เอร์ซที่เราใช้ทรัพยากรของพระเจ้าทุกวันอยู่เนี่ยครับเป็นการตอบสนองต่อพระคุณของพระเจ้าคืนแวทนะครับคืนทัศ์สางสอร์ซนแล้ว้าพเจ้าบอกว่าให้ลองเราในเรื่องนี้ดูทีหรือว่าเราจะไม่เปิดบัญช้ทองฟ้าอวยพรพรมาถึงเราถึงเจ้าหรือไม่ พี่น้องครับนั่นคือสิ่งที่พระเจ้าได้สัญญาไว้การร่วมใจกันถวายเป็นการนมัสการพระเจ้าอย่างหนึง่งร่วมกันทํามิชชั่นร่วมกันทําประกาศก็เป็นอีกหลังหนึง่งที่เราจะนมัสการพระเจ้าร่วมไปนมัสการพระเจ้าที่พระวิหารร่วมสามที่ทําลางบ้านและอธิษฐานกลุ่มอธิษฐานกลุ่มแคร์นะครับกลุ่มต่างๆที่อยู่ในข้าราชการของพระเจ้านั่นคือการนมัสการพระเจ้าทั้งสิน้นพี่น้องครับหลายครั้งมีคนถามว่าอาจารย์เรามานมัสการพระเจ้าเนี่ยอาทิตย์หนึ่งเนี่ย าชั่วโมงสองชั่วโมงแล้วกลับไปแล้วมันจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างพี่น้องไหมครับว่าการนมัสการพระเจ้ามันเปลี่ยนแปลงชีวิตถ้าเรานมัสการพระเจ้าอย่างถูกต้องชีวิตเราจะเปลี่ยนครับเรื่องต่อไปที่ผมอยากจะแบ่งปันในเช้า ว, วันนี้เราอาจจะฟังแล้วอาจจะไม่สบายใจนะครับเพราะว่ามันมีการนมัสการที่พระเจ้าไม่อวยพร อ, อยู่แล้วบางบางครั้งมันก็เกิดขึ้นในชีวิตของเราด้วยเหมือนกันครับ การนัสการพระเจ้าที่พระเจ้าไม่อวยพรเขารวบรวมกันมาได้นะครับมีแปประการดังต่อไปนี้เขาเรียกว่าเป็นกับดักกับดักที่คนมานัสการพระเจ้าแล้วเนี่ยนะครับพวกเขาเนี่ยไปไม่ถึงจุดประสงค์ที่พระเจ้าดีไซน์ไว้ออกแบบไว้ในการนัสการพระองค์ประการแรกครับคือความเยอ่อหยิง่งเขาเรียกว่าเป็นกับดักหรือความเยอ่อหยิ่งนั้นทําให้พระเจ้าไม่อวยพรการนับสการพระเจ้าของเรา ความเย่อหญิ่งั้นถือว่าเป็นกับดักก้อนใหญ่ที่สุดของการนำ้ำสการพระเจ้าเป็นคู่แข่งนะครับเป็นคู่แข่งเป็นคู่แฝดเป็นคู่แฝดกับอะไรครบับกับการเอาแต่ใจตัวเองเพื่อนครับหลายใครั้งนะครับเราเคยพบนะครับว่าคนที่เชื่อพระเจ้ามานานคนที่แล้วว่าเป็นผู้ใหญ่อะไรเงี้ยนะเป็นผู้นําอะไรเงี้ยครับคนเหล่านี้มักจะบอกว่าโอ้ผมเนี่ยนะฟังคําเทศนามาเยอะน้ำมการมาเยอะนะครับ พออาจารย์เปิดพ่งพีข้อไหนนี่ผมรู้แล้วว่าอาจารย์จะเทศอะไรนะ จ, จะมีคนอย่างนี้ในโบสถ์นะครับบางคนเนี่ยเวลาที่พูดกับเด็กๆนะบอกว่าเอ้ยฉันเนี่ยอ า, อาบน้ําร้อนมาก่อนเจ้าฉันกินเหล้ามากกว่าเจ้ากินข้าวนี่พวกนี้นะครับคือความเย่อหยิ่งฝ่ายวิญญาณที่มีกับดักก้อนใหญ่ในการนำสการพระเจ้าพี่น้องครับคนเหล่านี้ไม่ใช่ไม่รู้นะครับแต่ว่าคนเหล่านี้ฝืนกฎเกณฑ์ของพระเจ้าเหมือนกับนาดับและอาบีฮู พวกเราคงจะรู้จักในระดับและอาบีฮูนะครับคนเราเนี่ยเป็นพวกเลวีครับเป็นพวกคนที่รู้จักการนัสศารพระเจ้าเป็นอย่างดีเขารู้ว่าพระมหาบัญชาของพระเจ้าพระบัญชาของพระเจ้าในเรื่องการนัสศามจะเป็นอย่างไรเขารู้เรื่องการพระเจ้าถูกต้องสมควรนั้นทําอย่างไรเขารู้หมดเลยครับแต่ผลลัพธ์ก็คือว่าเขาไม่เชื่อฟังเขาไม่ยอมถ่อมใจลงเขามีความเยอ่อหยิ่งในที่สุดความตายมาถึงเขากับพระเจ้าประหารชีวิตของเขาไม่มีผู้ใดสามารถนัสการพระเจ้าแบบตามใจชอบได้นะครับพี่น้อง จะต้องนัสการพระเจ้าตามแบบอย่างของพระองค์ตามวิธีของพระองค์นั่นแหละครับคือสิ่งที่สําคัญที่สุดเพมัะพระเจ้าเรียกร้องความถ่อมใจให้เราเกิดขึ้นก่อนนะครับในชีวิตของเราเมื่อเรามานับศักดิ์พระเจ้าประการที่2ครับกับดักของธรรมเนียมปฏิบัติการนับศักดิที่พระเจ้าไม่อวยพรก็คือว่าเรายึดธรำเนียมปฏิบัติมากกว่าการที่เราจะยึดพระวจนะของพระเจ้าเพระเาะทำเนียมปฏิบัตินั้นทําให้การนับศการพระเจ้านั้นอ่อนด้อยลง การเชื่อพระเจ้าที่พระเจ้าพรบไทยนะครับจะต้องเดินไปตามพระวจนะของพระเจ้าความเชื่อของเราในพระเจ้านั้นในเรื่องการเชื่อจะต้องถูกต้องการที่เรายึดธรำเนียมปฏิบัติเหนือกว่าพระวจนะของพระเจ้านั้นทําให้เรากลายเป็นพวกที่ถือรักษารูปแบบกฎเกณฑ์ระเบียบซึ่งมนุษย์เป็นผู้สอนผู้ตั้งขึ้นมาทําให้พระคำของพระเจ้าเป็นโมฆะไปนี่คือสิ่งที่น่าเสียดายเสียใจมากนั่นเป็นกัปดักอันที่สองครับ อันที่สามครับกับดักของการตัดสินผู้อื่นคนที่ยึดธรรมเนียมประเพณีปฏิบัตินั้นจะไวในการตัดสินและกล่าวโทษพวกที่ถือธรรมเนียมปฏิบัติที่ไม่เหมือนกับตัวเองอันนี้เป็นเรื่องที่น่าสังเกตนะครับใครก็ตามที่ยึดถือธรรมเนียมปฏิบัติที่แตกต่างจากตัวเองพวกที่ยึดธรรมเนียมปฏิบัติก็จะมักจะรีบตัดสินใจให้รีบพิพากษาเขาตัดสินคนอื่น เพราะฉะนั้นนี่คือกับดักอย่างหนึ่งกับดักต่อไปครับก็คือกับดักของวิญญาณแห่งการวิพากวิจาร์และการนินทาพี่น้องครับคนเหล่านี้เป็นคนที่ชอบจับผิดคนอื่นในทุกๆสิ่งทุกๆอย่างคนเหล่านี้นั้นมีวิญญาณของการวิพากวิจารทำให้เขาไม่เป็นผู้ที่นับมาการแท้พี่น้องครับเมื่อเราจะนมาการพระเจ้านะครับเราต้องเลิกหยุดที่จะนินทาและวิจารคนอื่น เราได้สร้างกำแพงที่จะแยกเราออกจากการทรงสถิตของพระเจ้าถ้าเรานินทาคนอื่นเราพูดไม่ดีกับคนอื่นเราตัดสินคนอื่นวิพากษ์วิจารณ์คนอื่นการนินทานั้นทําให้ผู้อื่นเจ็บปวดไม่เพียงแต่เท่านั้นมันยังหันเหหัวใจของคนนั้นออกจากการนมัสการพระเจ้าที่แท้จริงด้วยท้ามีการบรรยากาศที่ควรจะนมัสกาพรพอเวลาเรามีวิญญาณของการวิพากษ์วิจารณ์เกิดขึ้นเมื่อไหร่ปุ๊บนะครับเราจะมีความรู้สึกเลยว่าการนมัสารพระเจ้านี่วันนี้ไม่ถึงพระเจ้า ไม่ดไมนนีไม่น่วนไม่นี่ทําให้เราไม่สามารถเข้าถึงการรับสารพระเจ้าได้อย่างถูกต้องประการต่อไปครับประการที่หกับดักของการไม่รู้การไม่รู้พระวจนะของพระเจ้าเนี่ยทาให้เราเนี่ยครับไม่สามารถรับสารพระเจ้าได้อย่างถูกวิธีถูกต้องความรู้นะครับสําหรับคนฮีบรูคนยิวนั้นนะถือว่าเป็นทางเข้าสู่ความสัมพันธ์ที่สนิทลึกซึ้งกับพระเจ้า ถ้าเรานับสการสิ่งที่เราไม่รู้จักนะครับเราจะไม่มีวันนับสาพระเจ้าพระเจ้าอย่างถูกต้องพระเจ้าพูดกับหญิงสาวซามารียาที่ที่บ่อน้ำนะครับซึ่งเจ้านับสการพระเจ้านั้นเจ้าไม่รู้จักแต่ที่เรานับสการพระเจ้านั้นเรารู้จักเพราะฉะนั้นจึงมีคนที่นับสการพระเจ้าเข้ามานับสานพระเจ้าอย่างที่เขาไม่รู้เรื่องอะไรเลยและนั่นคือเป็นความรู้ที่กลายเป็นนสุแล้วกับดัก เขาก็ไปยึดติดกับประเพณียึดติดกับธรรมเนียมปฏิบัติยึดติดกับสิ่งที่เขาเห็นมาโดยตลอดว่าเป็นเป็นอย่างนี้แล้วมันก็จะต้องเป็นอย่างนี้แต่ในขณะที่เขาไม่รู้จกักพระวจนะของพระเจ้านั่นคือการไม่รู้จึงทําให้เขานำสการพระเจ้าแล้วพระเจ้าแล้วไม่อวยพรครับเพราะฉะนั้นการรู้จักพระเจ้าคือการที่เราเข้าสู่ความสัมพันธ์สนิทลึกซึ้งกับพระองค์แต่ถ้าเราไม่รู้นะครับเราอาจจะเผลอนำสการ์พระเจ้าและพระเทียมเทศต่ตางๆโดยที่เราไม่รู้ตัวเองเลยครับ นั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นกับชนชาติอิสราเอลเขาอยากจะนับการพระเจ้าแต่ น, นี่สุดเขาไม่นัสกาลลูกเขารวเพราะเขาคิดว่าลูกเขารวเป็นพระเจ้าและด้วยเห็นนี้เองจึงเป็นกับดักของการไม่รู้เราจะแก้ไขเรื่องนี้ได้ยังไงครับพี่น้องครับพี่ตาจักรเนี่ยได้เปิดชั้นเรียนพระกัมภีนะครับกลุ่มแค่กลุ่มแซลทั้งหลายซึ่งมีพระเจนะของพระเจ้าเต็มที่เลยนะครับที่จะสนับสนุนให้พี่น้องได้เข้าสู่การนับเทศกาลพระเจ้าได้ในถูกต้องหลายหลาคนละเลยหลายคนละเลยสิ่งที่สําคัญเรื่องนี้ไปทําให้ชีวิตขของเานนั้น ไม่ได้พัฒนาการนมัสการพระเจ้าซึ่งเป็นสิ่งสูงสุดที่พระเจ้าอยากจะให้เราทำประการต่อไปครับกับดักของวิญญาณศาสนาพี่น้องครับคนที่วิญญาณศาสนาคือคนที่ถูกผูกมัดด้วยความเชื่อที่บิดเบือนและระบบศาสนาจอมปลอมเขานั้นได้อยู่กับพิธีที่งดงามแต่มีแต่เปลือกนอกแต่ไม่มีท่าทีความจริงใจในการสัสการพระเจ้า ประเพณนี้ต่างๆที่ยึดถือสืบทอดต่อกันมาสําคัญกว่าพระวจนะของพระเจ้านั่นแหะครับคือวิญญาณศาสนาอันนี้คือเป็นคําพูดที่ร้ายแรงมากครับเป็นคําพูดที่หนักเพราะอะไรครับเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับเรียกว่าเราเข้ามาถึงนะครับมีแต่ศาสนาซึ่งเปืนเปลือกนอกนั้นแต่ไม่สามารถเข้าสู่การนับสันพระเจ้าได้อย่างแท้จริงซึ่งพระคัมภีร์ได้กล่าวไว้พระเยซูกล่าวไว้กับหญิงชาวสมาเรียชัดเจนเลยครับว่านับสันสรพระเจ้าอย่างถูกต้องต้องมาเชื่ด้วย จิตวิญญาณและความจริงในเช้าวันนี้เราจะมาดูครับว่าจิตวิญญาณและความจริงเป็นยังไงพี่น้องครับกับดักอีกข้อหนึ่งนอกจากวิญญาณศาสนานะครับก็คือวิญญาณของการไม่ให้อภัยครับการไม่ให้อภัยคนบางคนในชีวิตของเราเนี่ยขัดขวางการนำสการพระเจ้าของเราพระบิดาสอนว่าเมื่อเราเข้ามานับสัมผพระเจ้านะครับลองวางแท้เครื่องบูชาไว้ก่อนเลยถ้าว่ามีพี่น้องคนหนึ่งเนี่ยทำผิดกับเรา เราต้องกลับไปคืนดีกับพี่น้องก่อนนะครับแล้วถึงจะนมัสการพระเจ้าได้มัถวายเครื่องบูชาพระเจ้าได้หลายครั้งที่เดียวรารู้เรื่องนี้แต่เราก็ยังปล่อยปล่อยให้ความขัดเคืองใจปล่อยให้ความรู้สึกที่คนอื่นทําผิดต่อเราและมันไม่ได้เคลียร์กันไม่ได้สารภาพกันไม่ได้ยกโทษกันเนี่ยมันติดตัวเราเมื่อไหรก็ตามที่เป็นแบบนี้ครับการนมัสการพระเจ้าจะไม่ไปถึงจุดที่พระเจ้าพอพระทัยแน่นอนและนี่คือกับดักอานหนึ่งกับดักจุดท้ายครับก็คือกับดักของการบ่นครับ การบนนั้นเป็นการแสดงความสงสัยและไม่ไว้ใจระหว่างเรากับการทรงสถิตของพระเจ้าไม่ไว้ใจในพระลักษณะของพระเจ้าไม่ไว้ใจในการความรักของพระเจ้าแล้วหลายครั้งทีเดียวนะครับเวลาที่เราบ่นเนี่ยโดยที่แบบว่าแล้วก็บ่นบนไปอย่างนั้นนะแต่จริงๆแล้วเนี่ยผลกระทบมันเกิดขึ้นครับคืออะไรครับผมมันสืบเนื่องค่อนเสี่ยงมันเกิดเพราะอะไรครับเพราะว่าเรากําลังบ่นไม่แม้ เ, เกี่ยวข้องพระเจ้าเลยแต่มันกระทบกับพระเจ้าเพราะอะไรเพราะถ้าเป็นอย่างนี้เป็นงั้นเป็นงั้น แล้วพระเจ้าเป็นพระเจ้าของเราทําไมพระ อ, องค์ไม่ได้ทําให้เราเลิกบน่นเะสีทีนะพี่น้องครับถ้าพระเจ้าเป็นพระเจ้าของเราจริงๆเนี่ยพระองค์ก็ทําให้เรามีความชื่นใจได้ไหมแต่พิกวันนี้เรายังมีชีวิตอยู่กับติดกับดักของการบ่นอยู่ตลอดเวลานู่น น, นี่นั่นต่อเวลานั่นคือการที่เราไม่ถวายเกยียรติพระเจ้าและกำลังต่อว่าพระเจ้านะครับโดยในยะในตัวของการบ่นพี่น้อครับทั้ง8ดอย่างที่ผมพูดไปแล้วนะครับเป็นกับดักผมจะ พูดให้ฟังใหม่ครั้งนึงครับกับดักของความเย่อหยิงกับดักของธรำรเนียมปฏิบัติกับดักของการตัดสินคนอื่นกับดักของวิญญาณแห่งการวิพากษ์วิจารณ์ตัดติชินนินทากับดักของการไม่รู้กับดักของวิญญาณศาสนาและกับดักของการไม่แยแพร่และการบน่นครับพี่น้องครับสิ่งต่างเหล่านี้ครับเป็นเป็นอุปสรรคทําให้เรามาเข้าเฝ้าพระเจ้าในวันอาทิตย์ทุกดวงอาทิตย์หรือการเข้าเฝ้าพระเจ้ารับาการพระเจ้าส่วนตัวเนี่ยนะครับ มันเกิดอุปสรรคมันไม่สามารถไปถึงสิ่งที่พระเจ้าต้องการไม่ได้ทีนี้เราจะมาดูครับว่าการนรรัสการพระเจ้าที่นํามาซึ่งการอวยพรพรเป็นยังไงบ้างเพราะเจ้านของพระเจ้าในยอมบทที่4ข้อ24บนะครับบอกว่าพระเจ้าทรงเป็นพระวิญญาณและผู้ที่นรรับการ์พระองค์ต้องนรรับศการด้วยจิตวิญญาณและความจรงิงพี่น้องครับผมอยากจะเชิญชวนพี่น้องอ่านสักสองรอบนะครับเราอ่านพร้อมกันนะครับพระเจ้าทรงเป็นพระวิญญาณ และผู้ที่นมัสการพระองค์ต้องนมัสการด้วยจิตวิญญาณและความจริงอีกครั้งครับพระเจ้าทรงเป็นพระวิญญาณและผู้ที่นมัสการพระองค์ต้องนมัสการด้วยจิตวิญญาณและความจริงการนมัสการด้วยจิตวิญญาณและความจริงนั้นนํามาซึ่งการอวยพรที่มาจากพระเจ้านํามาซึ่งการที่ชีวิตของเราที่ถูกสร้างขึ้นมานั้นนะครับจะไปถึงจุดสูงสุดเพราะว่าการนมัสการพระเจ้านั้นเป็นจุดประสงค์สูงสุดที่พระเจ้าดีไซน์ไว้ให้กับมนุษย์ดังนั้นเองเมื่อเรารู้ว่า การทำสการพระเจ้าด้วยจิตวิญญาณและความจริงนั้นจะต้องเป็นอย่างไรบ้างนะครับเราจะไปดูในร า, ายละเอียดครับว่าการทำสการพระเจ้าด้วยจิตวิญญาณ น, นั้นหมายความว่าอย่างไงพี่น้องครับจิตวิญญาณในมนุษย์นั้นเป็นตัวกําหนดนะครับกำหนดบุคลิกรรรภาพกําหนดทุกอย่างในตัวของเราถ้าเรามีจิตวิญญาณที่เป็นลูกของพระเจ้าจิตวิญญาณที่ไม่ได้ตายไปจากพระเจ้าจิตวิญญาณของเราจะมีชีวิตและจิตวิญญาณของเรานั้นจะส่งผลกระทบ นะครับต่อร่างกายของเราต่อจิตใจของเราต่ออารมณ์ความรู้สึกความคิดต่างๆของเราเพราะการน้มัสการนั้นจึงเป็นการน้มัสการที่หลั่งไหลออกจากภายในออกมาครับบางครั้งการหลั่งไหลออกจากภายในของเราออกมานะครับมันเป็นการที่บางครั้งมันออกมาเป็นท่าทางก็ได้มันจะเป็นหน้าตาก็ได้มันจะเป็นรอยยิ้มก็ได้มันจะเป็นเป็นการร้องไห้น้ําตาก็ได้นั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นอยู่ในในหัวใจของเราอยู่ในวิญญาณของเรา มันไม่ขึ้นกับสถานที่สิ่งแวดล้อมมันไม่ขึ้นกับว่าเพลงเพราะหรือเพลงไม่เพราะมันไม่ขึ้นอยู่กับดนตรีดังหรือไม่ดังมันไม่ขึ้นอยู่กับคนอื่นๆจะแต่งกายยังไงนะครับความประพฤติของคนอื่นจะเป็นยังไงเป็นเรากับพระเจ้านี่คือสิ่งที่เป็นการนับการจากข้างในของเราและด้วยเหตุนี้ครับทำให้เรารู้ว่าเมื่อไรก็ตามนะครับที่เราถูกกระทบจากสิ่งต่างๆรอบตัว นะครับสิ่งแวดล้อมต่างๆรอบตัวไม่ว่าจะเป็นเสียงดังดนตรีแรงต่างนะครับนะครับอย่าปล่อยให้มันเป็นอย่างนั้นเพราะอะไรครับเพราะว่าการรับสัการะที่แท้จริงนั้นมันเป็นการสักกาจากข้างในครับเราต้องยอมจำนนต่อพระวิญญาณบริสุทธิ์ใจของเราข้างในนั้นต้องยอมจำนนต่อพระวิญญาณสุธิ์มาด้วยจิตใจแห่งการถ่อมใจมาด้วยจิตใจแห่งการยอมจำนนการสักการพระเจ้าของเรานั้นจึงมีความหมายเพราะฉะนั้น ถ้าเราไม่มีพระวิญญาณของพระเจ้าสถิตยอยู่แล้วเนี่ยนั่นไม่ใช่เป็นการนมัสการพระเจ้าครับพระวิญ ญ, ญ, ญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าจะต้องสถิตยอยู่ในทุกๆที่ที่เรานมัสการพระองค์พี่น้องครับสอาคนนะครับเราอธิ ษ, ษ, ษฐานกันนะไม่ว่าอยู่ที่ไหนก็ตามพระเจ้าเสถิตยอยู่กับเราพระวิญญาณบริสุทธิ์จะสถิตอยู่กับเราเพราะฉะนั้นพี่น้องคนที่ไม่ได้รับความรอดนะครับคนที่ยังไม่รู้พระเจ้าเนี่ยเขาไม่สามารถที่จะเข้าใจเรื่องการนมัสการพระเจ้าได้อย่างแท้จริง เขามาก็เป็นผู้ร่วมนะครับผู้ร่วมนับศีลทานั้นแต่ไม่ได่เป็นผู้มานมัสการพระเจ้าจริงๆแต่เราขอบคุณพระเจ้านะครับพระเจ้าเปิดโอกาสให้คนเหล่านั้นที่ยังไม่รู้จักพระเจ้าเนี่ยได้มีโอกาสมามาร่วมนมัสการพระเจ้านะครับเพื่อที่จะสัมผัสกับความรักของพระเจ้าความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าและสิ่งสำคัญกว่าสัมผัสกับเราครับสัมผัสกับเราซึ่งเป็นตัวกลางเป็นช่องทางที่เราจะนําการนมัสการ้าอย่างแท้จริงนั้นไปถึงพี่น้องที่ยังไม่รู้จักพระเจ้าได้ เรื่องต่อไปก็คือว่าความนึกคิดของเราต้องจดจ่อมุ่งอยู่ที่พระเจ้าครับการพิสาพระเจ้าเป็นการเปลี่ยนดนทีจ่จิตใจที่สดใหม่เสมอนี่คือเป็นสิ่งที่พูดง่ายว่าคนที่มาสกาพระเจ้านะใช้คําว่า addiction ก็คือว่าเสพติดครับเสพติดอยู่กับการนมัสการพระเจ้าเพราะอะไรเขาว่าการนมัสการพระเจ้าทุกครั้งเลยเขาจะมีความสดชื่นใหม่สดเสมอแล้วก็จะสัมผัส ถ, ถึง ความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าที่มากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆประจักษ์อยู่ในชีวิตของเขาเองและสิ่งนี้เป็นสิ่งที่อธิบายไม่ได้นะครับจนกว่าเราเองจะมีประสบการณ์กับการนับศักดิพระเจ้าอย่างแท้จริงพี่น้องครับหัวใจของการที่จะนะจับศักดิพระเจ้านั่นคือการไข้ครวนไข้ ค, รครวรถึงความเป็นพระเจ้าของพระองค์ค้นพบความเข้าใจอย่างลึกซึ้งในความจริงของพระเจ้าและการค้นพบเหล่านี้นครับเป็นการค้นพบส่วนตัว ไม่สามารถที่จะให้เรามีประสบการณ์กับพระเจ้าทดแทนกันได้นะครับหมายความว่าการค้นพบส่วนตัวเนี่ยมันเป็นการค้นพบที่จะต้องอ่านพระวจนะของพระเจ้าเข้าใจพระความจริงพระวจนะของพระเจ้าได้มันถึงจะมีใจไข้ควรนึกคิดถึงพระเจ้าได้อย่างถูกต้องเพราะนั้นเราเองนั้นจะต้องแสวงหาในการที่เราจะเรียนรู้พระวจนะของพระเจ้าเพื่อที่จะรับสารพระเจ้าได้อย่างถูกต้องนี่คือเคล็ดลับในการรับสารพระเจ้าประดารต่อไปก็คือว่าเราจะต้องมีความสํานึกในความผิดบาป ทุกครั้งที่เราเข้ามานับสารพระเจ้านะพะจะอวยพรการนับสารพระเจ้าของเราและการนับสรพระเาของเราจะป็นการนับสารพระเจ้าจิตวิญญาณเนี่ยก็คือเราต้องสํานึกในความผิดบาปครับความผิดบาปของเราที่มีอยู่นั้นจะต้องถูกจัดการถูกลบให้หมดถูกชําระให้หมดเมื่อเราพูดถึงการนับสารพระเจ้านะครับต้องพูดคู่กันกับการชําระล้างใจของเราให้บริสุทธิ์กา ست, รสารภาพและการขอภัอยการไถ่โทษกรรมสำนึกผิดกันกลับใจใหม่ นะครับเพราะว่าผู้ที่จะเข้าสู่การมีความสัมพันธ์กับพระเจ้าองค์บริสุทธิ์นั้นจะต้องเป็นผู้ที่บาปของเขาถูกจัดการชำระให้หมดสิ้นไปแล้วเพราะฉะนั้นทุกครั้งที่เข้ามาขอบคุณพระเจ้านะครับที่หลายหลยท่านเนี่ยมาทันเวลาในการอธิษฐานสารภาพบาปส่วนตัวในใจผมอยากจะให้กำลังใจหนุในใจพี่น้องนะครับที่เข้ามาหลังนะครับการอธิษฐานส่วนตัวในใจว่าท่านมาสายแล้ว แล้วจากการขาดตรงนี้นี่เองนะครับท่านท่าเราไม่สามารถหรือพลาดโอกาสที่เราจะอธิษฐานสารภาพบาปส่วนตัวในใจหลายหท่านนะครับพลาดตรงนี้แล้วเนี่ยท่านฟังเทศไม่รู้เรื่องเพราะอะไรครับเพราะมีอุปสรรคขวางกั้นอยู่ความบาปนั้นไม่ได้ถูกยกเพราะฉะนั้นหากท่านมาโบสถ์สายกรุณาสิ่งแรกเลยครับที่ท่านจะต้องทําขณะที่นั่งอยู่นะครับไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็แต่อธิษฐานสารภาพบาปส่วนตัวในใจขอพระเจ้าหยิบยกและชําระเอาความบาปนี้ออกไป อุปสรรคต่างๆที่ขวางกรนหลออกไปเนี่ยครับพระเจ้าหยิบยกไปด้วยการชําระด้วยการสารภาพบาปนั้นแล้วเราจะฟังเทศรู้เรื่องพี่น้องข้าพเจ้าอย่างหนุนใจนะครับไม่ว่าใครจะเทศก็แล้วแต่เราจะฟังเทศรู้เรื่องได้ก็คือว่าเราต้องเอาอุปสรรคเอากับดักนี้ออกไปเมื่อเราเอาอุปสรรคเอากับดักนี้ออกไปเราเอาความบาปของเรานี้ขอการชําระจากพระเจ้าฟังเทศทุกคนรู้เรื่องหมดเลยเพราะพระเจ้าเป็นผู้ที่ตรัสผ่านผู้เทศนา ต่อไปครับการนมัสการพระเจ้าด้วยความจริงเป็นยังไงสุดิบทที่145่งข้อสิกล่าวว่าพระเจ้าทรงสถิตอยู่ใกล้ทุกคนที่ร้องทูลพระองค์ทุกคนที่ร้องทูลพระองค์ด้วยใจจริงเราต้องนมัสการโดยเกิดจากความเข้าใจดีเกิดขึ้นจากพระวจนะของพระเจ้าเพราะเจนะของพระเจ้านั้นเป็นความจริงครับเพราะฉะนั้นการนมัสการพระเจ้าที่แท้จริงเป็นการตอบสนองจากความรู้สึกทางจิตใจของเรานะครับต่อความจริงของพระเจ้า เป็นการตอบสนองต่อจิตใจของเราต่อความจริงพระวจนะของพระเจ้านั่นแหละครับคือการนมัสการด้วยความจริงเพราะฉะนั <Awesome. S 1> ้นเมื่อนมัสการพระองค์นะครับพระวจนะของพระเจ้ามีอิทธิพลต่อชีวิตของเราชีวิตของเราให้เปลี่ยนใหม่ขึ้นใหม่ขึ้นใหม่ขึ้นทุกวันเพราะฉะนั้นการนมัสการพระเจ้าของเราก็จะสดใหม่เสมอทุกวันทุกวันทุกวันการสรรเสริญของเราก็จะมีระเบียบเรียบร้อยนะครับการนมัสการของเราจะคล้อยตามมาตรฐานขององค์พระผู้เป็นเจ้า การนัักการพระเจ้าไม่ใช่เป็นความรู้สึกที่ดีที่ห่างจากพระเจนัของพระเจ้านะครับผมพูดใหม่นะครับความการนับักการพระเจ้าที่แท้จริงนั้นไม่ใช่เป็นความรู้สึกที่ดีแล้วออกห่างจากพระเจานัของพระเจ้าไม่ใช่ครับการนับศักการพระเจ้านั้นไปด้วยความคิดและความรู้สึกนั่นคือการนับักการพระเจ้าเราร้องเพลงด้วยความคิดและด้วยความรู้สึกการนับศัสการพระเจ้าเป็นการแสดงออกถึงการสรรเสริญที่ออกมาจากใจข้างในของเราต่อพระเจ้า ผู้ทรงเป็นที่เข้าใจตามที่พระองค์เปิดเผยให้กับเราเพราะฉะนั้นมีเพลงเพลงหนึ่งบอกว่าให้นำมาสกการพระเจ้าอย่างที่พระองค์ทรงเป็นนะครับไม่ใช่อย่างที่เราอยากจะให้เป็นนะครับพี่น้องครับตรงนี้สําคัญมากเราต้องรักษาพระเจ้าอย่างที่พระองค์ทรงเป็นแล้วเราจะรู้ว่าพระองค์ทรงเป็นอะไรนอกจากเราจะต้องอ่านพระคัมภีร์เราจะต้องรู้ว่าพระเจ้าเป็นยังไงเราถึงนับสักการพระเจ้าได้อย่างถูกต้องเพราะฉะนั้นการถวายเกียรติพระเจ้า การนัสการพระเจ้าท really uh. you ี you know ่มาจากส่วนลึกภายในใจของเรานั้นมันต้องจริงใจครับเพราะนันการนัพสการพระเจ้าด้วยความจริงนะครับผมอยากจะสรุปทั้งสองประการนี้ด้วยจิตวิญญาณหมายความว่าต้องถวายตัวต้องสารภาพบาปด้วยความจริงหมายความว่าต้องจริงใจและต้องใช้พระวจนะของพระเจ้าเพราะนัการที่เราเข้ามานับพสการพระเจ้าด้วยจิตวิญญาณเรากําลังนัพิสการพระเจ้าจากข้างในของเรา เมื่อเรานััทธารพระเจ้าจากข้างในของเรานะครับจริงใจกับพระเจ้าพรมบีบอกว่านับศรัสธาพระเจ้าแบบจิตวิญญาณ น, นั้นคือการถวายชีวิตเข้าถึงความจริงแห่งการถวายตัวทุกครั้งที่เรามานั่งนับศรัสธาพระเจ้าขอพระวิญญาณทรงนําเรานะครับให้เราไปถึงจุดที่เราถวายตัวเราไม่เพียงแต่ถวายทรัพย์ เราไม่เพียงแต่ถวายคำสรรเสริญแต่ต้องถวายชีวิตถวายตัวนั่นแหละครับคือการนัสการด้วยจิตวิญญาณของเราบันทึกอยู่ในพระธรรมโรมบทที่12ข้อหนึ่งข้อ2นะครับและนัสการพระเจ้าด้วยความจริงหมายความว่าเราต้องรู้จักพระเจ้าผ่านทางพระคำของพระองค์เราจะเข้าใจพระเจ้าได้ก็ต่อเมื่อเราอ่านพระวจนะของพระเจ้าเรารู้จักพระเจ้าโดยพระคำที่พระเจ้าสําเดงกับเราว่าโป้งเป็นใครไม่ใช่เรามโนพระเจ้าขึ้นมาเองนะครับเะนั้นหลายครั้งที่เรามโนพระเจ้าเนี่ยพระเจ้าจึงกลายเป็นรูปเคารพ เพราะว่าพระองค์ไม่ได้เป็นอย่างที่พระองค์ทรงเป็นในความคิดของเราด้วยเหตุนี้ครับการนำ้ำพระเจ้าอย่างถูกต้องจึงจะนํามาได้ซึ่งการอวยพรของพระเจ้าและพี่น้องรู้ไหมครับว่าการอวยพรของพระเจ้านั้นมันปรากฏอยู่ไม่เพียงแต่กระทบจิตวิญญาณของเราครับแต่กระทบร่างกายของเราด้วยและกระทบจิตใจงเราด้วยเราออกจากวิหารแห่งนี้ไปด้วยหลังจากการนัสก้ำพระเจ้าเขาบอกว่าด้วยความชื่นชมยินดีและด้วยความหวังนี่เป็นคําอธิษฐานของ ของผมที่มีต่อพี่น้องในหลายหลายครั้งทีเดียวเข้ามานะครับด้วยจิตใจในการสํานึกผิดกลับออกไปด้วยความชื่นชมยินดีและด้วยความหวังเพราะพระเจ้านั้นทรงสถิตยอยู่ใกล้ทุกคนที่ร้องทูลพระองค์และทุกคนที่ร้องทูลพระองค์ด้วยใจจริงนั่นหมายความว่าเราเข้ามานะครับไม่ใช่ศาสนาไม่ใช่พิธีกรรมนะเราต้องเข้ามาด้วยความถ่อมใจและเราจะได้สัมผัสกับพระเจ้าจากการนามัสการพระองค์ พี่น้องครับมีเจประกรารดังต่อไปนี้ที่เราเองนั้นจะต้องเป็นเป้าหมายของเราในชีวิตของเรานะครับนัสกการพระเจ้าด้วยชีวิตคือหนึ่งเราจะต้องมีตัวจริงของเราตัวตนหลักของเราต้องโอเคครับนั่นคือชีวิตของเราหาทิ่ติไม่ได้เป้าหมายครับเป้าหมายในการที่เราจะนับสักการพระเจ้าเราเองนั้นจะต้องมีชีวิตที่หาที่ติไม่ได้ คำว่าหาติติไม่ได้ไม่ได้หมายความว่าเราเป็นคนบริสุทธิ์ร้อเไม่ like ไมีบาปกันแล้วนะครับไม่ใช่ครับแต่คำว่าหาติติไม่ได้หมายความว่าตัวตนหลักข้างในของเราตัวตนจริงๆของเราเนี่ยนะครับโอเคกับพระเจ้าเลยคนอื่นก็มองแล้วแล้วโอเคโอเคเลยนั่นคือเป้าหมายในชีวิตของเราไม่ใช่เราไม่มีบาปนะครับปกติแล้วเนี่ยเราเราไม่ได้ทําบาปตามวิสัยของเราเท่ากับวิสัยของแผ่นดินสวรรค์นะครับปกติแล้วเราไม่ชอบทําบาปนะครับ แต่ไม่มีบางครั้งที่เราอาจจะผิดพลาดไปทําบาปได้โดยไม่ตั้งใจหรือการล่อลวงของมันซาตานแล้ เ, เป็นกับดักตกหลุมไปพี่น้องครับเราต้องสารภาพบาปชีวิตของเราถึงกลับมาถึงมาตรฐานของที่ไม่มีบาปแล้วนะครับแล้วดำเนินชีวิตเนี่อรักษาสิ่งที่เรียกว่าไม่มีที่ติต่อหน้าคนอื่นนั้นเราหาทิฏฐิ น, น้อยมากเลยนั่นแหละครับคือเป้าหมายชีวิตของเราในการนัารพระเจ้าประการที่2ครับก็คือเป็นคนที่ปฏิบัติตนอย่างชอบธรรม คำว่าชอบทํานั้นหมายความว่าดีครับก็วาชอบทําก็ถูกต้องครับเพราะฉะนั้นชีวิตของคนที่นมัสการพระเจ้าอย่างถูกต้องนั้นเขาจะสํารวจชีวิตของตนอย่างสม่ำเสมอการสํารวจชีวิตของตนอย่างสม่ำเสมอนั้นนะครับคือการที่เราจะอธิษฐานสารภาพแบบว่าเรามีอะไรบ้างที่ผิดบาปต่อพระเจ้าเรามีอะไรบ้างที่ไม่สมควรกับพระองค์เรามีอะไรบ้างที่ทําให้พระองค์เสื่อมเสียเกียรตินั่นแหละครับคือสิ่งที่เราจะต้องสํารวจชีวิตของเราอย่างสม่ําเสมอและด้วยความถ่อมใจ และขอรับการชัมระและแหภัยจากองค์พระวินใจนี่คือการปฏิบัติตนอย่างชอบธรรมครับประการที่สมครับเราจะต้องไม่เป็นคนน่าซื่อใจคดเป็นผู้ที่พูดความจริงจากใจของตอนพระบิดพูดนะครับบอกว่าคนที่จะมสัมผัสเจ้าได้นะครับจะต้องมีชีวิตที่ดีงามอย่างนี้แหละครับคือไม่น่าซื่อใจคดไม่เสแสร้งไม่หลอกลวงชีวิตของเขาทั้งสองด้านนะครับจะเหมือนกันเลยครับชีวิตภายนอกกับภายในก็เหมือนกันนะครับ เขาเรียกว่า transparency ก็คือว่าเป็นชีวิตที่โปร่งใสนะครับเหมือนกันทั้งข้างนอกข้างในประการต่อไปก็คือว่าเขาจะต้องมีคุณสมบัติที่ควบคุมลิ้นของตนได้ดีหลายครั้งพี่น้องครับเราเองก็เหมือนกันนะครับไม่ว่าเราจะรู้จักพระเจ้าเราจะมีอายุมากเพียงใดก็ตามนะครับหรือเราจะเป็นคนที่อ่อนแอเข้มแข็งยังไงก็ตามเรามักจะพบเสมอว่าเราเองนั้นควบคุมลิ้นของเราไม่ค่อยได้ ขอพระเจ้าช่วยเราที่ลิ้นของเรารปากของเราเนี่ยนะรพระบพิมพีสอนบอกว่ามันจะมีน้ําพรุที่ดีหรือจะมีน้ํากลอยออกมาจากปากเดียวกันได้ไหมครับคำตอบคือไ ม, ไม่ได้เพราะฉะนั้นเราจะสรรเสริญพระเจ้าและหันไปด่าว่ามนุษย์ก็ไม่ได้นี่คือสิ่งที่พระบพิมพีบอกกับเรานะครับคําที่ออกจากปากของเรานั้นเป็นคําสรรเสริญในเวลาเดียวกันก็แช่งด่าคนอื่นไม่ได้เพราะฉะเราต้องขอพระเจ้าควบคุมลิ้นของเราดีๆ ลักษณะชีวิตที่ดีงามอย่างนี้แหละครับเป็นลักษณะชีวิตที่พอพระไทยพระเจ้าในการนมัสการพระองค์อย่างถูกต้องประการต่อไปครับตีคุณค่าหรือให้คุณค่าหรือเห็นคุณค่าของคนอย่างที่พระเจ้าให้เห็นครับอย่างถูกต้องหลายครั้งทีเดียว <c oughs> เราก็แบ่งแบ่งชนชั้นนะครับในการนมัสการพระเจ้าคนที่มีลักษณะแบบหนึ่งอา้าวนั่งตรงนี้นะครับในพระบมพียากอบบอกนะครับ บอกว่าคนยากจนแต่งตัวไม่ดีนั่งตรงนี้แก น, นั่งตรงนี้คนที่มีร่ํารวยหรือแต่งตัวดีมีหน้ามีตาในสม น, นั่งตรงนี้นี่คือสิ่งที่พระธรรมยากบได้บอกอย่าลำเอียงอย่ามีอคติเพราะฉะนั้นการเห็นคุณค่าของคนอย่างถูกต้องตามที่พระเจ้าเห็นนะเป็นสิ่งที่สําคัญในการที่เราจะนับศารพระเจ้าด้วยกันต่อไปครับยึดมั่นในคําสัญญาของตนหลายครั้งทีเดียวครับเวลาที่เรามานับกานพระเจ้านะ หลายคนก็สัญญานีว่าหนูจะเป็นคนอย่างนี้ดิฉันจะเป็นคนอย่างนี้ผมจะเป็นคนอย่างนี้ผมจะตั้งใจใหม่กับพระเจ้าหลังครั้งทีเดียวครับการตั้งใจใหม่ตอนช่วงปีใหม่มันก็ลืมไปแล้วนะครับทำไม่ได้ได้บ้างไม่ได้บ้างนะครับอยากจะลดน้ําหนักก็ลดได้สาวันพอวันที่สี่ก็เหมือนเดิมอย่างนี้เป็นต้นครับหลายครั้งทีเดียวเราสัญญากับพระเจ้าก็เหมือนกันเพราะเราสัญญากับพระเจ้าเราทําไม่ได้มันก็ทําให้เราเนี่ยท้อถอยท้อแท้แล้วก็ ไม่รักษาสัญญาต่อไปพราะนั้นครับอยากจะให้เราฟื้นกลับมาใหม่นะครับในการที่เราจะรักษาสัญญาเป็นคนที่ยึดมั่นในคําสัญญาของเรากับพระเจ้าที่เคยให้ไว้กับพระองค์ประการสุดท้ายครับก็คือเราจะต้องไม่มีชีวิตที่หาผลประโยชน์บนความทุกข์ของคนอื่นประโยค น, นี้มันมีความหมายว่าเราจะต้องไม่นําเงินที่เราโกงเข้ามาหรือคอร์รัปชันนะครับมาถวายพระเจ้าพระเจ้าไม่พอวัดไัย ชีวิตที่หาผลประโยชน์อย่างไม่ถูกต้องได้มาซึ่งเงินทองที่ไม่ถูกต้องได้มาซึ่งผลประโยชน์ที่ถูกต้องไม่ต้องเข้ามาถวายพระเจ้านะฮะสลัดทิ้งไปครับพระเจ้าไม่ต้องการครับและนี่คือสิ่งที่พระมปีบอกว่าชีวิตของเราครับและเครื่องบูชาของเราเนี่ยจะต้องพอพัดไทยสาหรับพระเจ้าผมอยากยกตัวอย่างคายินกับอาเบลนะครับพระมปีบันทึกว่าคายินและเครื่องบูชาของเขาอาเบลและเครื่องบูชาของเขา เวลพุ่มพีเอ่ยนามถึงใครเนี่ยนะครับพุ่มพีกําลังพูดถึงเครื่องบูชาเขาด้วยหมายความว่าชีวิตของเขาที่ตามมาซึ่งได้มาการได้มาซึ่งเครื่องบูชาเหล่านั้นนะครับสำคัญเพราะฉะนั้นขายินและเครื่องบูชาของเขาไม่เป็นที่พอพระแทพ้พระเจ้าเนี่ยหมายความว่าอะไรครับไดมาหรือชีวิตนีที่ได้มาซึ่งเครื่องบูชาทั้งหมดของเขาเนี่ยพระเจ้าไม่โอเคครับแต่อาเบลกลับกันพระเจ้าโอเค ทั้งชีวิตของเขาและเครื่องบูชาของเขาพี่น้องกลับไปอ่านนะครับในปฐมกาลบทที่สี่บทสรุปในเช้าวันนี้ครับชีวิตที่จะส่งผลในการนมัสการพระเจ้าอย่างถูกต้องเป็นชีวิตที่จะต้องในพระคัมภีรมัทธิวบทที่6ข้อสาได้บอกว่าท่านหลายจงแสวงหาแผ่นดินของพระเจ้าและความชอบธรรมของพระองค์ก่อนแล้วพระองค์จะทรงเพิ่มเติมสิ่งทั้งปวงเหล่านี้ให้มันหมายความว่ า, วา ถ้าเป็นสุดยอดของการแสวงหาชีวิตในชีวิตของคริสเตียนที่งเป็นลูกของพระเจ้าเราจะต้องแสวงหาการนมัสการพระเจ้าอย่างถูกต้องครับเพราะนี่คือการนมัสการพระเจ้าที่ถูกต้องเมื่อไหรก็ตามเมื่อเรานมันสการพระเจ้าอย่างถูกต้องนั้นพระเจ้าจะอวยพรชีวิตของเราเอสเคบทที <S <S 34่ 34: ข้อสินะครับพระเจ้าประกาศว่าเราจะเที่ยวหาแกะที่หายเราจะนําแกะที่หลงหายกลับมาเราจะพันผ้าให้แกะที่กระดูกหักเราจะเสริมกําลังแกะที่อ่อนเพีย เราจะพันแผลให้แกะที่กระดูกหักจะเสริมกำลังแกะที่อ่อนเพียจะช่วยให้รอดและเขาจะไม่ตกเป็นเหยื่ออีกต่อไปบทที่34ข้อย2ิบสองของเอเซเคียล e ได้กล่าวต่อไปว่าพระองค์จะทรงทำให้เขากับสถานที่รอบๆเงินเขาขเําเป็นแหล่งพระพรเราจะส่งฝนมาในฤดูกาลเป็นหาฝนแห่งพระพรต้นไม้ที่ในทุ่งจะบังเกิดผลพิภพจะบังเกิดผลประโยชน์และเขาจะอยู่อย่างปลอดภัยในแผ่นดินของเขา พี่น้องครับหากว่าเราเป็นหัวหน้าครอบครัวเราเป็นผู้นำคิดสัจจรเราเป็นผู้นำในบ้านของเราหากว่าเรานมัสการพระเจ้าถูกต้องพระพรของพระเจ้าจะหลั่งไหลไปถึงคนในครอบครัวของเราด้วยครับนั่นคือคำสัญญาที่ปรากฏอยู่ในพันเอเสเคียวดังนั้นเองครับชีวิตแห่งการนมัสการจึงเป็นชีวิตที่ไม่น่าเบือ่อเพราะเราเก้าวสูงขึ้นไปก้าวสูงขึ้นไปเรื่อยๆ พี่น้องหลายท่านนะถามบอกว่าเอ้เวลาที่เราไปถึงสวรรค์แล้วเนี่ยอาชีพของเราคืออะไรครับผมตอบว่าอาชีพของเราเนี่ยตามพระคัมภีร์นะครับคือน้ำมศการพระเจ้าแล้วน้ำมศการพระเจ้าไม่เบื่อหรอืออาจารย์ร้องเพลงอย่างนี้เนี่ยร้องเพลงสาสี่เพลงก็เบื่อแล้วนะฮะร้องเพลงชั่วโมงหนึ่งสองชั่วโมงก็เบื่อแล้วแล้วเราจะอยู่ตรงนั้นไม่เบื่อหรือครับพี่น้องครับผมจะตอบได้ครับว่าไม่เบื่อเพราะอะไรครับเพราะชีวิตการน้ำสศการพระเจ้าเป็นชีวิตที่ไม่น่าเบื่อเพราะว่ายิ่งเราน้ำมศการพระเจ้าเนี่ยเราจะยิ่งเข้าสู่ ความไม่จํากัดของพระเจ้ายิ่งเข้าสู่ความไม่จํากัดของพระเจ้ายิ่งเข้าสู่ความเข้าใจใหม่ๆทุกวันทุกวันทุกวันแลือเมื่อเราไปถึงสวรรค์แล้วนะครับเราก็จะยิ่งเข้าใจพระเจ้ามากขึ้นสิ่งที่เวลานี้เราดูมัวๆอยู่สลัวๆเหมือนดูในกระจกเนี่ยในวันนั้นเราจะเห็นชัดเจนมากขึ้นชัดเจนมากขึ้นเรื่อยๆการนทำสิ่งพระเจ้าเราจะเห็นความยิ่งใหญ่ของพระเจ้ามากขึ้นมากขึ้นเรื่อย yup. ๆเพราะว่าพระเจ้าของเราเป็นพระเจ้าที่ไม่จํากัดทั้งฤทธิ์เดชนิธานุภาพ ทรงสูงสุดเหนือทุกอย่างทรงออมนิโพเทนต์หมายความว่าคือได้หมดทุกอย่างสามารถทําได้ออมนิเชนต์แปลว่ารู้หมดทุกอย่างสัมผัสอยู่และอมนิเพรเซนต์ก็คือว่าอยู่ทุกขนทุกแหง่งเราไม่สามารถเข้าถึงความยิ่งใหญ่แบบนี้ได้ครับแต่เราจะแค่สัมผัสสัมผัสและก็มากขึ้นเรื่อยๆมากขึ้นเรื่อยๆมากขึ้นเรื่อยๆ อ, อ, อย่างไม่มีวันจํากัดตลอดไปเป็นนิดนี่คือความสดใหม่ไม่น่าเบื่อในการน้ำสานพระเจ้าพี่น้องครับ การมานับสการพระเจ้าในแต่ละสัปดาห์ของเรานั้นจะต้องได้บางอย่างกลับไปครับไม่ว่าจะเป็นข้อคิดจากพระวจนะของพระเจ้าไม่ว่าจะคําเทศนาไม่ว่าการที่เราอ่านพระคัมภีร์สลับกันไม่ว่าจะบทเพลงนับส ก, การที่เราได้ยินได้ฟังและได้ร้องไม่ว่าจะเป็นชีวิตที่เรามีเฟลโลชิพเราสามารถที่ทำกับคนอื่นด้วนแล้วแต่ทําให้เราได้บางอย่างกลับไปเพราะนั้น ผมอยากจะถามครับว่าพี่น้องหลังจากที่ลำมกาในวันนี้แล้วท่านจะได้แลกลับไปจะเป็นสิ่งที่ทําให้เรามีความสดชื่นไม่น่าเบื่อหรือเปล่าเพราะว่าเจนะของพระเจ้าที่เข้ามาในแต่ละวันแต่ละอาทิตย์นั้นจะทําให้เราเติบโตขึ้นในใ น, ในพระเจ้ามีความรู้มากขึ้นกับพระเจ้าเพื่อที่เราจะนรรรับสกนพระเจ้าอย่างถูกต้องไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปครับขอพระเจ้าอวยพระพรทุกท่านอาเมน